วิธีคิดแบบโยนิโสมนัสิการแบบที่8วิธีคิดแบบเรากุศลวิธีคิดแบบปลุกเราก้าคุณธรรมอาจเรียกง่ายๆว่าวิธีคิดแบบเรากุศลหรือคิดแบบกุศลภาวนาเป็นวิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลารตัญหาจึงจัดได้ว่า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 หรือประสบอารมณ์อย่างเดียวกันแต่ต่างขณะต่างเวลาก็อาจคิดเห็นปรุงแต่งต่างออกไปครั้งละอย่างคราวหนึ่งร้ายคราวหนึ่งดีทั้งนี้โดยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วการทำใจที่ช่วยตั้งต้นและชักนำความคิดให้เดินไปในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์เรียกว่าเป็นวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม หรือโยนิสโสมนัสิการแบบรากุศลในที่นี้โยนิสโสมนัสิการแบบรากุลนี้มีความสำคัญทั้งในแง่ที่ทำให้เกิดความคิดและการกระทำที่ดีงามเป็นประโยชน์ในขณะนั้นนั้นและในแง่ที่ช่วยแก้ไขนิสัยความเคยชินร้ายๆของจิตที่ได้สั่งสมไว้แต่เดิมพร้อมกับสร้างนิสัยความเคยชินใหม่ๆที่ดีงามให้แก่จิตไปในเวลาเดียวกันด้วยในทางตรงข้าม หากปราศจากอุบายแก้ไขเช่นนี้ความคิดและการกระทำของบุคคลก็จะถูกชักนำให้เดินไปตามแรงชักจูงของความเคยชินเก่าๆที่ได้สั่งสมไว้เดิมเพียงอย่างเดียวและช่วยเสริมความเคยชินอย่างนั้นให้มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยไปตัวอย่างง่ายๆอย่างหนึ่งที่มาในคำพีคือการคิดถึงความตายถ้ามีอโยนิสมนสิการคือทำใจหรือคิดไม่ถูกวิธี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 หรือมีใจอยู่กับตัวระลึกรู้ถึงสิ่งที่พึงเกี่ยวข้องจัดทําสังเวคะหรือสังเวกตรงกับที่ใช้ในภาษาไทยว่าสังเวชแต่ไม่สู้ตรงกับที่เข้าใจกันนักเพราะตามความหมายเดิมหมายถึงความรู้สึกเร้าใจได้คิดและสานึกที่จะเร่งรีบทำการที่ควรทาญาณะหรือญาณคือความรู้เท่าทันธรรมดาหรือรู้ตามเป็นจริง นอกจากนั้นท่านได้แนะนำอุบายแห่งโยนิโสมานสิการเกี่ยวกับความตายไว้หลายอย่าง